วิธีที่สะดวกสบายเพื่อการดับของกิเลสในกรณีของปฏิปทาที่สะดวกสบายแก่การบรรลุพระนิพพานเนี่ยพระองค์ได้ตรัสไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้พิจารณาตาพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาคือรูปพิจารณาวิญญาณที่เข้าไปรู้ในช่องทางตา พิจารณาองค์ประกอบของผัสสะทั้งหมดพิจารณาตัวผัสสะด้วยตัวสัมผัสนะพิจารณาเวทนาที่เกิดมาจากสัมผัสเป็นเหตุนั่นก็คือพิจารณาองค์ประกอบของผัสสะทั้งหมดพิจารณาตัวผัสสะและพิจารณาสิ่งที่ติดตามมาจากผัสสะให้เห็นลงไปในความไม่เที่ยง ให้เห็นลงไปในความเป็นทุกข์คือเดินไปสู่ความดับและให้เห็นลงไปในความเป็นอนัตตาใครก็ตามมาพิจารณาผัสสะว่ามีองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงเห็นผัสสะนั้นไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนมีความเกิดความดับเป็นธรรมดาเห็นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสหรือผัสสะเป็นเหตุไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์อุเบกขาก็ตาม มีการแปลเปลี่ยนและมีการดับไปคนคนนั้นชื่อว่าได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นปฏิปทาสะดวกสบายต่อการบรรลุพระนิพพานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณธรรมลมซึ่งรวมทั้งหมดเรียกว่าผัสสตทั้ง6ช่องทาง และเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทั้ง6ช่องทางไม่ว่าจะเป็นสุขทุกขุเบขาก็ตามว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยเดินไปสู่ความไม่เที่ยงเดินไปสู่ความทุกข์คือมีการแตกสลายแตกดับและเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวใครทำอย่างนี้ชื่อว่ากำลังเจริญปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักสุว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอะทุกข์ขมสุข ที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงในกรณีแห่งโสตคานะชิวหากายะและมณะก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น ส่วนอีกสองนัยยะได้ตรัสโดยใช้คำว่าทุกขังและคำว่าอนัตตาแทนคำว่าไม่เที่ยงส่วนคำอื่นนั้นเหมือนเดิมทุกประการภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุทั้งหลายปฏิ ป, ปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่านั้นเป็นอย่างนี้คือภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามให้เห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเอตังมะมะนั่นเป็นเราเอโสหามัชมินั่นเป็นอัตตาของเราเอโสมีอัตตา ดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุทูลตอบเกี่ยวกับรูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสสชาเวทนาซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักสุนั้นทุกประการต่างแต่ชื่อเท่านั้นภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข หรือเป็นอัฐุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นในกรณีแห่งอายตะนิกธรรมหมวดโสตะ ฆานะชิวหากายะมณะก็ได้ตรัสต่อไปอีกโดยในอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งอายะตะนิกธรรมหมวดจักสุนี้ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์เรื่องที่ว่าสิ่งใดไม่ใช่เธอเธอจงละมันเสีย สิ่งที่เธอละเสียแล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอนั่นก็คือพระองค์เนี่ยให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยถอนอุปทานความยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่ไปทําลายมันไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายหรือว่าไปทําลายอายตนะต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นการทําลายอุปทานทําลายความยึดมั่นออก ด้วยการเห็นโทษของมันด้วยการเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาแล้วก็พิจารนาว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสกายะที่พระองค์บอกว่าเนตังมามะ เนโซมัสสมิณนะเมโซอัตตาเนตังมามะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโซ ม, มัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโซอัตตาคือนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งพระองค์เปลี่ยบเหมือนกับว่ า, ามีคนเนี่ยลากกิ่งไม้ใบไม้เอาไปเผาแล้วก็ถามภิกษุว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเขาลากเราไปตามพื้นแล้วก็เอาเราไปเผาบ้างหรือไม่ ภิกษุก็บอกว่าไม่นั่นก็คือเหตุผลว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่มันเราไม่ใช่กิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่เรานะการที่เรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เรานั่นนะคือตัวเนตังมะมะเนโซมาสมิณนะเมสซอัตตาที่พู้เจ้าให้เราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เวลาผมจะงอกเวลาตาจะเสื่อมเวลาหูจะตึงมันก็ไม่เคยบอกล่วงหน้ากับเรานะสิ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองอันนี้แหละที่พระองค์ให้เราทั้งหลายเนี่ยทำความเข้าใจอย่างนี้การทําความเข้าใจตรงนี้ใครใช้ลักษณะอย่างนี้ในการทําความเข้าใจกับตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์เรียกว่า ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งส ก, กายะคือตัวเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซมาส ม, สมินั่นไม่ใช่เป็นเราและนะเมโซอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอภิกษุททั้งหลายจักสุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักสุนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ ในกรณีแห่งโสตะคานะชิวหากายะและมะโนก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในแคว้นนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามปัจจัย พวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเข้าขนเราไปหรือเผาเราหรือทําแก่เราตามปัจจัยของเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่า ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจักสุโสตะคานะชิวหากายะมนโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอแหละ การเกิดดับแห่งเวทนาในเรื่องอาการเกิดดับแห่งเวทนานั้ น, นพระองค์ให้เราสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นสุขทุกขอุเบขาที่เรารวมเรียกว่าเวทนานั้นมันมีเหตุเกิดมาจากผัสสะหรือสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนเนี่ยคอยสังเกตตัวเองว่าขณะที่สุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ย มันได้รับสัมผัสอะไรก่อนร่างกายเราเนี่ยสัมผัสอะไรก่อนเช่นว่าบางทีเราได้ยินเขาสันเสริญเราเราก็เกิดความพอใจเกิดความสุขใจขึ้นเราก็จะรู้ว่าผัสสะทางหูเสียงที่กระทบหูแล้วเราได้ยินเราเข้าใจเป็นคําสันเสริญทำให้เราเกิดสุขเวทนาขึ้นนั่นก็คือผัสสะหรือเสียงที่กระทบหูนั้น เป็นเหตุเป็นปัจจัยของสุขเวทนาที่เกิดขึ้นหรือถ้าเราได้ยินเขานินทาเราเราก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดทุกขเวทนาขึ้นนั่นก็คือว่าความทุกข์หรือความไม่พอใจนั้นเกิดมาจากผัสสะนั่นเองก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอายตนาใดๆก็ตามเมื่อมีสัมผัสเกิดขึ้นแล้วและ ว, วิญญาณไปรับรู้ สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือสุขบ้างทุกบ้างอุเบกขาบ้างเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ให้พิจารณาว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ก็คือไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาก็ตามล้วนเดินไปสู่ความดับทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายเวทนาสามอย่างเหล่านี้ เกิดมาจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยสามอย่างเหล่าไหนเล่าสามอย่างคือสุ ข, ขเวทนาทุกขเวทนาอทุก ข, ขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาย่อมเกิดข enfin ึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเป็นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นย่อมดับไปย่อมระงับไปในกรณีแห่งทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา ก็ได้ตรัสไว้ด้วยถ้อยคํามีนัยยะอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อไม้สีไฟสองอันสีกันก็เกิดความร้อนและเกิดไฟเมื่อไม้สีไฟสองอันแยกกันความร้อนก็ดับไปสงบไปภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นเวทนาทั้งสามนี้ซึ่งเกิดจากผัสสะ มีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยอาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้นย่อมดับไปเพราะผัสสะดับดังนี้แหละ